ภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่แตกแยกกัน 2. บริษัทที่สามัคคีกันบริษัทที่แตกแยกกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิไนนี้มีพวกภิกษุต่างบาทหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอคือปากทิ่มแทงกันอยู่บริษัทนี้เรียกว่า บริษัทที่แตกแยกกันบริษัทที่สมัคีกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิในนี้มีพวกภิกษุพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่มด้วยความรักอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่สมัคีกันภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหล บรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่สามัคคีกันเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม สบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมบริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิไนนี้มีพวกภิกษุเถระเป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นําในโวกรมณธรรมทอดทุระในปวิเวกไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้ง หมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างพวกภิกษุเทระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกระมณะธรรมพ่อทุระในปวิเวกไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม บริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเทระไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดธุระในโวกมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างพวกภิกษุเทระเหล่านั้น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 บรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัท2จำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่เป็นอริยะ 2. บริษัทที่เป็นอริยะบริษัทที่ไม่เป็นอริยะเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุไม่รู้ชาติตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขนิโรธความดับทุกนี้ทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกบริษัทนี้เรียกว่า บริษัทที่ไม่เป็นอริยะบริษัทที่เป็นอริยะเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นอริยะภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหล บรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นอริยะเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทอยากเยื่อ 2. บริษัทใสสะอาด บริษัทอยากเยื่อเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุถึงชั้นทาคติลำเอียงเพราะชอบโทสาคติลำเอียงเพราะชังโมหาคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทอยากเยื่อบริษัทใสสะอาดเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุไม่ถึงชันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทใสสะอาดภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทใสสะอาดเป็นเลิศ สุทั้งหลายบริษัท ส, สองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่าถามและไม่ได้รับการแนะนํา 2. บริษัทที่ไต่าถามได้รับการแนะนําและไม่ดื้อด้านบริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่าถามและไม่ได้รับการแนะนําเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้าลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างพวกภิกษุไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี้ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญทําว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทโกวี มีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาสิทธ์ภิษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังอย่างดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจครั้นท่องจำทำนั้นแล้วไม่สอบสวนไม่ไต่ถามกันว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร ภิกุเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างบริษัท น, นี้เรียกว่าบริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่าถามและไม่ได้รับการแนะนาบริษัทที่ไต่าถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญรจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาสิทธิ์พวกพิกษุไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสําคัญทาว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้าลึก มีเนื้อความลึกซึง้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเมี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจครั้นท่องจำทำนั้นแล้วย่อมสอบสวนไต่ถามกันว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนําและไม่ดื้อด้านภิกษุทั้งหลายบริษัท ส, สองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนําและไม่ดื้อด้าน เป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่หนักในอามิชไม่หนักในสัต์ธรรม 2. บริษัทที่หนักในสัตยธรรม ไม่หนักในอามิ t h บริษัทที่หนักในอามิ t h ไม่หนักในสัตยธรรมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุต่างสรรเสริญคุณของกันและกันต่อหน้าครหาตผู้นุ่งผ้าขาวว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาคะวิมุติภิกษุรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุติภิกษุรูปโน้นเป็นกายสัก ข, ขี ภิกษุรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตะภิกษุรูปโน้นเป็นสัทวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีภิกษุรูปโน้นเป็นสัทานุสารีภิกษุรูปโน้นมีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุรูปโน้นทุศีลมีธรรมเลวซามภิกษุเหล่านั้นได้ลาพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายครั้นได้ลาบนั้นแล้วต่างติดใจลุ่มหลง หมกมุ่นไม่เห็นโทษขาดปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่หนักในอาม i t ไม่หนักในสัตธรรมบริษัทที่หนักในสัตธรรมไม่หนักในอามิ t เป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเมื่อกล่าวสรรเสริญคุณของกันและกันต่อหน้าครหัดผู้นุ่งผ้าขาวว่า ภิกษุร weiß, ูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นกายสักขีภิกษุรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตะภิกษุรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีภิกษุรูปโน้นเป็นสัทานุสารีภิกษุรูปโน้นมีศีลมีกัลยาณธรรม ภิกษุรูปโน้นทุศีลมีธรรมเลวซามภิกษุเหล่านั้นได้ลาภเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายครั้นได้ลาภนั้นแล้วไม่ติดใจไม่รุ่มหลงไม่หมกมุ่นมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่หนักในสัตยธรรมไม่หนักในอามิ t ภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แล บรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่หนักในสัต์ธรรมไม่หนักในอามิตรเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ หนึ่งบริษัทที่ไม่เรียบร้อยสองบริษัทที่เรียบร้อยบริษัทที่ไม่เรียบร้อยเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้กรรมที่ไม่เป็นธรรมเป็นไปกรรมที่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่เป็นธรรมไม่รุ่งเรือง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 กรรมที่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทที่เรียบร้อยเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้กรรมที่เป็นธรรมเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่รุ่งเรือง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 บริษัทสองจำพวกนี้แหละบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เรียบร้อยเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ หบริษัทที่ไม่เป็นธรรม 2. บริษัทที่เป็นธรรมและถึงภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นธรรมเป็นเลิศภิกษุทั้งหลาย บริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบริษัทที่เป็นอธรรมวาทีกล่าวแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมสองบริษัทที่เป็นธรรมวาทีกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมบริษัทที่เป็นอธรรมวาทีเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุได้รับอธิกรณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตาม ครั้นได้รับอธิกรณ์นั้นแล้วไม่ประกาศให้ยอมรับกันและไม่เข้าร่วมการยอมรับไม่ยอมให้พิจารณาอธิกรณ์และไม่เข้าร่วมการพิจารณาอธิกรณ์ภิกษุเหล่านั้นมีความตกลงกันไม่ได้เป็นแรงหนุนมีการไม่เพ่งโทษตนเป็นแรงหนุนคิดแต่จะดื้อดึงไม่ยอมรับกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์นั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นอธรรมวาทีบริษัทที่เป็นธรรมวาทีเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุได้รับอธิกรณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามครั้นได้รับอธิกรณ์นั้นแล้วประกาศให้ยอมรับกันและเข้าร่วมการยอมรับยอมให้พิจารณาอธิกรณ์และเข้าร่วมการพิจารณาอธิกรณ์ ภิกษุเหล่านั้นมีการตกลงกันได้เป็นแรงหนุนมีการเพ่งโทษตนเป็นแรงหนุนคิดแต่จะยอมรับไม่กล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์นั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นธรรมวาทีภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้ บริษัทที่เป็นธรรมวาทีเป็นเลิศบริษทวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อุตตานสูตร 2. วักสูตร 3. อคัตวตีสูตร 4. อริยสูตร 5. กสตะสูตร 6. อุกาจิตะสูตร 7. อามิสสูตร 8. วิสมะสูตร 9. อธรรมะสูตร 10. ธ ร, รมิยะสูตรพระถมปันนาจบบริบูรณ์ 2. ทุติยปันนาดหน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 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระเจ้าจักรพรรดิบุคคลสองจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเคืือกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเคือกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสองบุคคลสองจำพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์ บุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิบุคคลสองจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอาชิริยะมนุษย์ 3. การตายของบุคคลสองจำพวกนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยการตายของบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1>, 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิการตายของบุคคลสองจำพวกนี้แหละเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วย 4. ถูปาระหะบุคคลสองจำพวกนี้ถูปาระหะบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิ ทูปาระหะบุคคลสองจำพวกนี้แหล 5. พระพุทธเจ้าสองจำพวกนี้พระพุทธเจ้าสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัจเจคพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสองจำพวกนี้แหล 6. สัตว์วิเศษสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้งสัตว์วิเศษสองจำพวกไหนบ้างคือ S 1. ภิกษุขีนาศบสองช้างอาชาในสัตว์วิเศษสองจำพวกนี้แหลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้ง 7. สัตว์วิเศษสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งสัตว์วิเศษสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุขีนาศบสองม้าอาชาในสัตว์วิเศษสองจำพวกนี้แหลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้ง สัตว์วิเศษสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งสัตว์วิเศษสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุขีณาศพ 2. พญาราชสีสัตว์วิเศษสองจำพวกนี้แลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้ง 9. เหตุที่กินนอนไม่พูดภาษาคนกินนอนเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้จึงไม่พูดภาษาคน อำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่กล่าวตัวผู้อื่นด้วยเรื่องไม่จริงกินนอนเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้แลจึงไม่พูดภาษาคน 10. สิ่งที่มาตุคามไม่อิ่มมาตุกคามสตรีไม่อิ่มไม่ละอาต่อทำสองประการจนกระทั่งตายทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. การเจพเมถุนธรรม 2. การคลอดบุตรมาตุคามไม่อิ่มไม่ระอาต่อทำสองประการนี้แหละจนกระทั่งตายการอยู่ร่วมกัน2แบบภิกษุทั้งหลายเรจาจะแสดงการอยู่ร่วมกันของอาศับบุรุษ และการอยู่ร่วมกันของสัตว์ประหแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการอยู่ร่วมกันของอสัพว์ประหและสัพว์ประหอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่า ถึงพระเทระก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชชิมะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ไม่ควรว่ากล่าวพระเทระพระมัชชิมะและพระนวกะถึงหากพระเทระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับเขาว่าไม่ทำละ ถึงเราก็จะเบียดเบียนเขาแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำแนะนำของเขาหากพระมัชิมะจะว่ากล่าวเราและถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกือกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เรื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับเขาว่าไม่ทำละถึงเราก็จะเบียดเบียนเขาแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทาตามคาแนะนาของเขา แม่พระมัชชิมะก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าละถึงแม่พระนวกะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเทระก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชชิมะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกกะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ไม่ควรว่ากล่าวพระเถระพระมัชชิมะและพระนวกะถึงหากพระเทระจะว่ากล่าวเรา ก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าไม่ทําละถึงเราก็จะเบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทําตามคําสอนของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราละถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเรา ไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เครือกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าไม่ทําละถึงเราก็จะเบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทําตามคําสอนของท่านการอยู่ร่วมกันของอสัตบุรุษและอสัตว์ปรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้แลการอยู่ร่วมกันของสัตว์ปรุษและสัตว์ปรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไร คือภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวิในนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเทระก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชมะก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ควรว่ากล่าวทั้งพระเทระพระมัชมะและพระนวกะถึงหากพระเทระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เครือกูลว่ากล่าวเรา ไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำแนะนำของท่านหากพระมัชชิมะจะว่ากล่าวเราและถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่า ดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำแนะนำของท่านแม้พระมัชชิมะก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าและถึงแม้พระนวกะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชชิมะก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกกะก็ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ควรว่ากล่าวทั้งพระเถระ พระมัชิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เรื่อคูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อคูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทําตามคำสอนของท่านหากพระมัชิมะจะว่ากล่าวเราและถึงหากพระนวกกะจะว่ากล่าวเรา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 ให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อในอธิกรณ์ใดการโต้อตอบกันด้วยวาจาความแข่งดีพระทิฐิความมีใจอาฆาตความไม่พอใจความคลึงเครียดยังไม่สงบรังพ่ายในในอธิกรณ์นั้นจะมีผลตามมาดังนี้คืออธิกรณ์นั้นจะเป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรง และภิกษุทั้งหลายจะอยู่ไม่ผาสุขภิกษุทั้งหลายส่วนในอธิกรณ์ใดการโต้อตอบด้วยวาจาความแข็งดีพราะทิฐิความมีใจอาฆาตความไม่พอใจความครึงเครียดสงบระ ง, งับไปด้วยดีภายในในอธิกรณ์นั้นจะมีผลตามมาดังนี้คืออธิกรณ์นั้นจะไม่เป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรง และภิกษุทั้งหลายจากอยู่ภาสุขปุขละวักที่หนึ่งจบ 2. สุขวักหมวดว่าด้วยความสุข 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขของคราหัสสองสุขของบรรพชิตสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขของบรรพชิตเป็นเลิศสองสุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งกรรมสุขสองเนคขมสุขสุขสองอย่างนี้แล บรรดาสุขสองอย่างนี้เนกขมสุขเป็นเลิศ 3. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่มีอุปติสองสุขที่ไม่มีอุปติสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีอุปติเป็นเลิศ 4. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง สุขที่มีอาสวะ 2. สุขที่ไม่มีอาสวะสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีอาสวะเป็นเลิศ 5. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่อิงอามิ t h สอสุขที่ไม่อิงอามิ t h สุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่อิงอามิ t h เป็นเลิศ สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขของพระอริยะ 2. สุขของผู้ไม่ใช่พระอริยะสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขของพระอริยะเป็นเลิศ 7. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขทางกายสองสุขทางใจ สุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขทางใจเป็นเลิศแปสุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่มีปีติสองสุขที่ไม่มีปีติสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีปีติเป็นเลิศ 9. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ หสุขที่เกิดจากความยินดี 2. สุขที่เกิดจากอุเบกขาสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่เกิดจากอุเบกขาเป็นเลิศ 10. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สมาธิสุข 2. องสมาธิสุขสุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้ สมาธิสุขเป็นเลิศ11สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่เกิดจากฌานมีปิติเป็นอารมณ์ 2. สุขที่เกิดจากฌานไม่มีปิติเป็นอารมณ์สุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่เกิดจากฌานไม่มีปิติเป็นอารมณ์เป็นเลิศส2สสุขสองอย่างนี้ สุข2 อ, อย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่เกิดจากฌานมีความยินดีเป็นอารมณ์ 2. สุขที่เกิดจากฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ์สุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่เกิดจากฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ์เป็นเลิศ 13. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่มีรูปฌานเป็นอารมณ์ สสุขที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์สุขสองอย่างนี้แหลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์เป็นเลิศสุขวักที่สองจบส เสนิมิตตะวักหมวดว่าด้วยเหตุแห่งบาปอากุศล 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นบาปอากุศลมีนิมิตจึงเกิดขึ้นไม่มีนิมิตไม่เกิดขึ้นเพราะละนิมิตนั้นเสียดายอย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 2. ทงธรรมที่เป็นบาปอากุศลมีนิทานจึงเกิดขึ้น ไม่มีนิทานไม่เกิดขึ้นเพราะละนิทานนั้นเสียดาอย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มีสามธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเพราะละเหตุนั้นเสียดาอย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มีสี่ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีสังขารจึงเกิดขึ้นไม่มีสังขารไม่เกิดขึ้น เพราะละสังขารเหล่านั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มีห้าธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยไม่เกิดขึ้นเพราะละปัจจัยนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 6. กธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีรูปจึงเกิดขึ้นไม่มีรูปไม่เกิดขึ้นเพราะละรูปนั้นเสียได้อย่างนี้ ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มีเจ็เเะะเนนเดธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีเวทนาจึงเกิดขึ้ น, มนไม่มีเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะละเวทนานั้นเสียดายอย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 8. ปดธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีสัญญาจึงเกิดขึ้นไม่มีสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะละสัญญานั้นเสียด้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี เก้าธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีวิญญาณจึงเกิดขึ้นไม่มีวิญญาณไม่เกิดขึ้นเพราะละวิญญาณนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 10. บธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีสังคตะธรรมธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นไม่มีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ไม่เกิดขึ้นเพราะละสังคตะธรรมนั้นเสียได้อย่างนี้ ธรรมที่เป็นปาบาปอคุลเหล่านั้นจึงไม่มีสันนิมิตะวัคที่สาจบ 4. ธรรมวัคหมวดว่าด้วยธรรมหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. เจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตสองปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นด้วยปัญญาทำสองอย่างนี้แล 2. สองทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเพียรสองความไม่ฟุง้งซ่านทำสองอย่างนี้แหล 3. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งนามสองรูปทำสองอย่างนี้แหละ mm สทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งวิชาความรู้แจ้งสองวิมุตความหลุดพ้นทำสองอย่างนี้แหละหาทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ภวะทิฏฐิ 2. วิภวะทิฏฐิทำสองอย่างนี้แล 6. กทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อหิริกะความไม่อายบาปสองอโนตปะความไม่กลัวบาปทำสองอย่างนี้แล7จ็ดทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. หิริความอายบาป สออดตปะความกลัวบาปทำสองอย่างนี้แหล8ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ว่ายากสองความมีปาปามิตทำสองอย่างนี้แหล9าทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ว่าง SARAH ่ายสองความมีกัลยาณมิต ทำสองอย่างนี้แหล 10. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งความเป็นผู้ฉลาดในธาตุสองความเป็นผู้ฉลาดในมนุิยการทำสองอย่างนี้แหล 11. ทำสองอย่างนี้ทำสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัตสองความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัต ภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลธรรมวัตรที่สี่จบ